เรื่องภิกษุเล่นถลายก้นสามเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเล่นถลายก้นน้ำอสิจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศษหรือนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จะทำน้ำอสิจิให้เคลื่อนไม่ต้องอบัตวงเล็บเรื่องที่ห้าิบสี่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 จะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนพระพิดเจ้าข้าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอาบัตทุลใจวงเล็บเรื่องที่ห6